อาชีพที่เอื้อให้ทำบาปได้หนักที่สุดไม่ใช่อาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ผู้คนเห็นผิดเป็นชอบอาชีพแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆคืออาชีพที่มีผลกระทบกับร่างกายและอาชีพที่มีผลกระทบกับจิตใจถามว่ากระทบกายกับกระทบจิต อย่างไหนมีผลแรงกว่ากันอันนี้ต้องดูที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบเมื่อมีผู้ทูลถามพระองค์ว่าระหว่างกายกรรมวจีกรรมกับมโนกรรมอันไหนใหญ่สุดท่านตอบว่ามโนกรรมเหตุผลคือใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานบุคคลคิดแล้วจึงค่อยก่อกรรมด้วยการพูดบ้าง ด้วยการลงมือกระทําบ้างถ้าใจไม่คิดปากกับมือก็ไม่ทำงานดังนั้นอาชีพใดก็ตามที่กระทบจิตก่อให้เกิดความคิดชนิดเห็นผิดเป็นชอบหรือที่เรียกเห็นกองจักเป็นดอกบัวอาชีพนั้นับว่าเสี่ยงต่อการก่อบาปขั้นสูงสุดเพราะพาคนก่อบาป ก, ก่อกรรมได้มากมายเหลือจะนับ การเห็นกงจักเป็นดอกบัวมีหลายระดับส่วนใหญ่เกิดจากการคิดเอาเองแล้วปักใจเชื่อหรือไม่ก็เชื่อสืบๆกันมาโดยไม่มีที่มาที่ไปเช่นถ้าบริจาคดวงตาชาติหน้าจะตาบอดพ่อแม่ไม่มีบุญคุณเพราะแค่ตั้งใจเอาสนุกทางเพศการแบ่งพักแบ่งพวกคือการแบ่งเส้นชี้ขาดว่าใครดีใครเลว ฆ่าสัตว์ไม่บาปเพราะสัตว์ไม่มีวิญญาณเหมือนมนุษย์ฆ่าเด็กในท้องไม่บาปเพราะยังไม่ลืมตาดูโลกก็ยังไม่มีชีวิตฆ่าคนนอกศาสนานับว่าทำคุณให้ศาสนาและอื่นๆอีกมากมายคิดเองเออเองปักใจเชื่อเองแล้วพยายามก่อกระแสให้ผู้คนเชื่อตามเรียกว่าทำกรรมแบบเจ้าลัทธิ แหดีก็ได้บุญมากมายแนะร้ายก็ได้บาปใหญ่หลวงแต่ถ้าไม่ได้คิดไม่ได้เชื่อแบบไหนแล้วพยายามก่อกระแสกเกลี้ยกล่อมให้ผู้คนเชื่อแบบนั้นเรียกว่าทากรรมแบบคนลวงโลกต่อให้ดูเผินเหมือนแนะให้เดินบนทางที่ดูดีก็ประสงค์จะหลอกพาลงเหวมีแต่ก่อบาปก่อกรรมสถานเดียว สมัยก่อนนั้นใครจะเป็นเจ้าลัทธิหรือคนหลวงโลกต้องมีสื่อใหญ่อยู่ในมือเช่นเป็นนักแต่งเพลงที่มีผลงานเพลงดังเป็นคอลัมนิสต์หน้าแรกๆของหนังสือพิมพ์ยักษ์เป็นนักการเมืองที่คนดูทีวีจำหน้าได้แต่สมัยนี้เป็นแค่คนธรรมดาเล่นเน็ตก็พอทุกคนมีสื่อใหญ่ที่สุดในโลกติดมือกันทั่วหน้า แต่ละคนมีสิทธิ์เป็นที่รู้จักในชั่วข้ามคืนขอเพียงออกคลิปหรือเขียนข้อความโดนๆได้ก็แทบกลายเป็นอาชีพหลักใหม่ในทันทีแม้นึกว่าคำพูดของเราเป็นแค่การระบายอารมณ์หรือการแสดงความเห็นส่วนตัวแต่ถ้าเจืออยู่ด้วยความอยากโน้มน้าวให้คนเชื่อตามก็เรียกว่า เจตนาชักจูงผู้คนให้คิดอย่างที่ตนคิดหรือหลอกให้คิดอย่างที่ตนคาดแล้วได้ชื่อว่าทํากรรมขึ้นมาชนิดหนึ่งแล้วเมื่อทําอยู่ทุกวันทําอยู่เป็นนิดก็น่าสังเกตว่าช่วยให้โลกรอบตัวดีขึ้นหรือซ้าเติมให้โลกแย่ลงกันแน่โลกรอบตัวที่ถูกกระทบให้เป็นอย่างไรนั่นแหละ คือเครื่องหมายของกรรมที่คุณกําลังทำนั่นแหละคือสภาพแวดล้อมที่คุณจะได้อยู่ตั้งแต่ชาตินี้ไปจนถึงชาติหน้าฆ่าคนได้แต่ฆ่ากรรมดีของเขาไม่ได้ทำลายทางไปสวรรค์ของเขาไม่ได้แต่ถ้าทำให้เขาเห็นผิดเป็นชอบก็ทำลายล้างความดีของเขาได้หมดปูทางลงนรกให้เขาได้เลย